Sharadam g a t c h a m dhammam s h a r a a m g a t c h a m s a g h a m s h a r a n a m g a c h a m มังสะคารค่ะคือมีมีอยู่วัดหนึ่งนะค ะ, ะพระคุณเจ้าที่ว่าพระพิสูุเนี่ยรักษาศีลแค่150ข้อแล้วคือท่านก็บอกว่า150ข้อเนี่ยเป็นศีลของอสมัยพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้ส่วนส่วนตอนนี้เนี่ยข้อคือเป็นเป็นศีลที่ดังขยานาจากสา ว, วกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมามา ถึง2อ0 0ปีที่ผ่านมามันก็จะเพีย้ยนมันก็เลยกลายเป็น227ขออ้ออยออี่สิบเอ่อประมาณนี้ไม่ไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้ารักษาสินอหข้ อ, อจริงๆแล้วเนี่ยผิดภาวินัยหรือเปล่าคะคือคืออย่างนี้นะว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยเวลาศึกษาคำสอนเนี่ยหนึ่งก็คือว่าการจะศึกษาคำสอนถ้าเนี่ย พอพูดตรงนี้จริงๆเป็นปัญหาของอาจจะเป็นกระทบถึงชาวพูดด้วยแล้วก็ปัญหาปัญหานี้จริงๆปัญหาที่รู้สึกจะมีการเอามาก็ได้ข่าวมาที่มีการถกกันอยู่ในประเด็นร้อยห้าสิบหรือสองร้อยี่สบ็ดหลักคำสอนของพระเจ้านี่เนี่เนี่ยโดยมากเห็นไม้มที่สุดจริงๆเราเริ่มมาเล่นตัวเลขกันแล้วตอนนี้มาเริ่มมาเล่นตัวเลขแล้ว ด้วยการที่เราไม่ได้เราไม่เชื่อการปฐรมสังขยาของภาษาของพระมาหากระสนเป็นประธานเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อพระรหันตตาเจ้าทั้งหลายแล้วหนักไปหนักไปก็ไม่เชื่อพระตะกถาจารย์ไม่เชื่อพระดีกาจารซึ่งต่างๆนี้ก็เขาปากให้คิดว่าพระไตรปิฎกที่เราศึกษากันที่แปลเป็นฉบับภาษาไทยเนี่ย ในอัฐะของภาษาไทยที่แปลกันแบบ45เล่มนั้นเนี่ยเป็นคําของพระอัจถริจารย์และพระดีกาจารย์ครบบริบูรณ์เลยถ้าท่านที่ปฏิญญาณตนเองว่าจากเอาแค่พุทธพจน์ <c oughs> ก็ต้องฝากให้ไปอ่านเฉพาะฉบับบาลีแล้วอย่าอ่านฉบับภาษาไทยเพราะภาษาบาลีนั่นแหละเป็นเนื้อในของคำสอนพพุทธเจ้า ซึ่งไม่ได้มีผ้ารหันตาเจ้าขยายหรือซึ่งถ้าไปอ่านแล้วจะล่วงทันทีอ่านแล้วจะไม่เข้าใจนั้นพุทธพจน์จริงๆเนี่ยยากที่จะเข้าใจยกตัวอย่างเอามายกแค่พุทธพจน์สักคำหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นจะเกิดจากดับหรือนี่จะตอบอยังไงใช่ไหม นี่คือพุทธพจน์ไงทังบอกไงบอกว่าคือถ้าจะพูดก็ไม่ไม่ทราบเหตุผลว่าจะโจมตีพระอัจกราจารย์พระหลังนตาเจ้าท่านเพื่อประโยชน์อะไรนะเพราะทั้งทง ท, งที่ตนเองเนี่ยไม่ได้ทรงพระไตยพิดกอะไรเลยนะถ้าหากว่า ทรงพระไตรปิฎกด้วยแตกฉานอัตถกถาและดีกาด้วยศึกษาทั้งวินัยยบิฎกพระสุตตานต์บิฎกและพระพิทามบิฎกอย่างเชี่ยวชาญแล้วด้วยแล้วกล่าวในลักษณะนี้ก็น่าคิดใช่ไหมอันนี้เวลาจะกล่าวแลยแต่ทีก็นั่งไปเปิดตาแทบถลนกันนี่เนี่ยไม่เห็นมีใครทรงอะไรได้เลยยิ่งยุคปัจจุบันนี้แล้วก็เราก็เห็ น, เ ห, นเห็นกันอยู่ฉะนั้นจักไม่เป็นประโยชน์กับท่านผู้กล่าว ที่ไม่ที่ขัดแย้งกับคําสอนของภาษาสดาอย่างมากขัดแย้งที่น่ากลัวก็คือว่าไปขัดแย้งสพยุตยานบ้างขัดแย้งพยานของภาษาสดาเขาให้ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่าสะเทือนใจเพราะว่าในชั้นของผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถึงในรายละเอียดจริงๆแล้วถ้าถามว่า ศีลท่านขับเน้นตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกามาศีลซึ่งออกมาเคยบรรยายไปแล้วไม่ไรายละเอียดส่วนส่วนข้อกําหนดที่บอกว่า227ข้อนั้นอุปมาเหมือนถนนไอตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกามาศีลคือสภาพที่ไม่ก้าวล่วงเนี่ยอุปมาเหมือนกับรถและคนขับรถฉะนั้นสภาพถนนยิ่งมากมันยิ่งดี ถ้ายิ่งวิ่งคล่องมันยิ่งดีใช่ไหมหรือท่านโอปมาศีลเนี่ยศีลโอปมาเหมือนรั้วเหมือนรั้วที่จะป้องกันภัยพยายนันตรายต่างๆรั้วที่หนานแน่นยิ่งดีแต่รั้วที่ห่างๆเน่ยมันไม่ดีมันไม่ปลอดภัยฉันใดฉะนั้นศีลของพระเจ้าเนี่ยโดยหลักการแล้วมันไม่ใช่แค่2องยยี มันมากกว่า น, นั้นมากกว่า น, นั้นถ้าศึกษาให้ดีแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่นี้อันนี้เขาเรียกหลักการใหญ่ๆเท่านั้นนะโยมสออย่ข้อคือหลักการใหญ่ๆเท่านั้นถ้าไปนับในขันมหาวัดในขันตกาวัิอีกโอ้โหอีกมากมายเลยไม่รู้เท่าไหร่เลยขยายไปเยอะเลยไปดูในจุราศีลมชิมศีลมหาศีลในทีคณิกรศีลขันธวาร์อีกโอโ้ยิ่งไปใหญ่แล้วแต่เนี้ย ขี้วศีนไม่ใช่อย่างที่คิดเป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายควรดําเนินทั้งนั้นแต่เขาแยกกันโยมถ้าในวินัยปิดกเนี่ยเขาเรียกว่าวินยัยศีลนั้นเป็นศีลของพระและสมณีนแต่คารวะาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าสุตันตศีนศีนในพระสุตันตปิดกในทีกนิกายเป็นต้นจึงแยกกันไงระหว่างพระกับคารวะหรือพระคฤหาดกับบรรณชิตจึงแยกแยกกัน เครือาจึงไม่มีโอกาสไปดำเนินตามวิเนียสีลในพระวินัยบิดกอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นศีลที่มีมากเพื่อเกื้อกูลต่อการป้องกันกิเลสยิ่งมากยิ่งดีเพื่อเป็นไปกับการขัดเกลาศีลยิ่งน้อยยิ่งอันตรายนั้นคือจุดเสื่อมของภาษาศาสนา ยิ่งศีลมีมากคนรักษาศีลเหลือน้อยข้อน้อยข้อที่สุดศีลก็จะหายไปด้วยข้อปฏิบัติที่ก็จะเหลือแต่รูปแบบนั้นการน้อยเนี่ยเป็นอันตรายมากยิ่งดีแต่มากแบบมีเหตุผลนะแล้วเอามาปดำเนินการที่ตรงพุทธประสงค์ทีนี้พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านรู้พุทธประสงค์อย่า ก, กลัวอย่าไประแวงท่านต้องรู้จักว่า ต้องไปศึกษาให้ดีถ้าศึกษาให้ดีจะรู้ว่าปัญญาของเราเนะี่ยน้อยนิดมากไม่สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวความเข้าใจให้ถึงระดับท่านได้นะฉะนั้นตรงนี้ก็ตรงนี้ถ้าเราได้ยินข่าวอย่างนี้ชาวพุทธก็ตั้งหลักให้ดีว่าถ้าศิกขาบทของพระศาสดาถูกลิดถูกลอนถอยลงมาเนะี่ยอันนั้นบ่งบอกได้ว่าศาสนา เริ่มเห็นความไม่สำคัญของศีลมากขึ้นแล้วกลุ่มชาวพุทธเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลอื่นนับถือศาสน า, าอื่นก็ตีปีกเลยโสดีแล้วดีแล้วขัดแย้งกันเยอะๆใช่ไหมนี่แหละจะนำมาแก่ความแตกแยกและจะนำมาึงความเสียหายซึ่งเราไม่ไม่พึงอยากให้สิ่งนั้นเป็นปรับความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงสิ่งที่ถูกและต้องคู่ที่กล่าวไม่ตรงต้องอาจหาันต้องกล้า ต้องกล้าเมื่อศึกษารู้ข้อมูลแนละ้วอย่าศึกษาด้วยทิฏฐิมานะด้วยตัณหาเพราะอันนั้นจะไม่ได้เกื้อกูลต่อข้อปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเลยนะแต่เมื่อรู้ว่าคําสอนของพระศ า, าสดานั้นเนะ่ยเป็นเป้าหมายในลักษณะอย่างไรก็ต้องกล้าที่จะออกมายอมรับว่าเออสิ่งที่กล่าวไปมันเป็นของธรรมดาผู้ดูชนเนี่ยมีโอกาสกล่าวผิดพลาดได้ก็ต้องแก้ไขนะแต่อย่าเป็นไปเพื่อการขัดแยง้งหรือการการทําร้ายซึ่งกันและกัน ให้หากันซึ่งใ ห, ให้ให้คุยกันด้วยเหตุแะผลของปัญญาอย่าเล่นเอาพวกเข้าตีกันหรือเข้าใส่กันที่สุดจริงๆก็จะกลายเป็นความแตกแยกใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าห้ามมากพระพเจ้าสอนเรื่องอะไรเรื่องความสามัคคีแล้วก็เรื่องว่าคําพูดเนี่ยต้องไม่ให้แตกแยกเห็นไหมการพูดแตกแยกเนี่ยเช่นส่อเสียด ต, ต้องระวังเป็นเหตุให้บริษัทแตกแยกฉะนั้นเราก็จะพูดสมัครสมานสามัคคีให้เหตุผล ว่าเออที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะมีประเด็นในการหลุดประเด็นแห่งความเข้าใจผิดบางมุมบางประการก็ฟังท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกอัตถกถาและดีกาที่ท่านอาจจะให้มุมมองถ้าเรื่องนี้เนี่ยอมาก็เคยได้ยินข่าวว่าก็มีพระเถระท่านก็เคยติงเนีเคยติ่งไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีหนังสืออะไรตกค้างมาแค่นั้นเองแต่ถูกติง่งแล้วก็ถูกตั้งคําถาม มากมายนะถูกตั้งคำถามมากมายแล้วก็มีการเขียนทั้งหนังสือทั้งจดหมายให้ข้อคิดว่าจริงๆเนี่ยควรไปดูตรงไหนอย่างไรจริงๆแล้วท่านผู้ที่กล่าวคำนี้ก็น่าจะน่าจะชัดเจนถ้าไม่ถือแ่งจนเออถือทิฐถีของตนเองจนประมาณถือว่าท่านที่ทั้งหลายที่เตือนเขาเป็นกัลยาณมิตรเขาต้องการให้ให้ปรับว่าคำสอนของพระเจ้านั้นต้องต้องไม่แตกแยกกัน ต้องไม่แบ่งแยกกันโดยยุคที่เปล่าบางอย่างนี้ด้วยแล้วยังมีเรื่องหน้านาเป็นห่วงนะไม่ควรให้สภาพความแปลกแยกหรือสภาพสังคมมันปริมากไปกว่านี้โดยสังคมชาวฟุต ด, ด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวัง ก็เป็นคาถามที่ดีมากค่ะขออนุมทนาด้วยเป็นการรักษาศาสนาโดยตรงแล้วก็เป็นการรักษาใจเราเราให้รู้เลยนะคะว่าศีลยิ่งมากเนี่ยเหมือนรั้วยิ่งหนาแน่นก่อนหน้านี้ผู้พูดเองก็ไม่เข้าใจประโยคนี้นะคะแต่เมื่อได้ศึกษาเนี่ยรู้ล้วหละว่าทำไมพระคุณเจ้าทั้งหลายถึงต้องต้องบวชเพื่อประพฤติธรรมนะคะช่วงนี้ ขอเวลาเบรกสัก10นาทีนะคะเป็นการพักผ่อนอิรยาบถ